หัวข้อหลักสำคัญในแก้หรือบรรเทากรรมสิ่งสำคัญของแก้หรือบรรเทากรรมคือใจที่สำนึกผิดอยากขอโอกาสทำดีแก้ตัวตั้งใจมั่นจะรักษาศีลเข็ดขยดจะไม่ทำผิดไม่ว่าชาติไหน จะไม่เบียดเบียนใครอีกแล้วทั้งกายวาจาใจต้องซึ้งในทุกข์ที่ตนกำลังได้รับด้วยใจเห็นชัดว่าเราต้องเคยทำกับผู้อื่นไว้ซึ่งอาจเป็นในอดิตชาติผลจึงส่งให้ต้องทุกข์ใจแบบนี้แค่ยอมรับว่าทุกสิ่งเกิดจากความเลวความพลาดของตนก็มีผลบรรเทากรรมได้ทันทีคือใจจะเป็นสุขขึ้นแม้ยังอยู่ในสถานการณ์เดิม เรียบเหมือนต้องจ่ายเงินใช้หนี้ถึงเสียได้แต่พอทําใจได้ไม่เสียใจเท่าการถูกปล้นกฎของโลกคือคนทําผิดต้องติดคุกก่อนและประพฤติดีถึงได้ลดหรืออภัยโทษกฎแห่งกรรมเช่นกันถึงเวลากรรมให้ผลก็ต้องใช้หนี้เข้าบ้างไม่ใช่คิดจะถวงเวลาผลัดหนี้ไปตลอดที่อาจไม่คุ้มเท่าเผชิญความจริง ข่าวหน้าหนึ่งก็เคยมีนะครับที่มีผู้ต้องหาหนีคดีเกือบ2ี่สิปีพอโดนจับกลับดีใจมากเพราะไม่ต้องระแวงหลบซ่อนให้ทุกใจอีกต่อไปติดคุกไปซะพอออกจากคุกจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สทัทีดังนั้นอย่างให้อดทนเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาถือสะว่าใช้หนี้เก่าให้มันลดลงไปบ้างการยอมรับและชดใช้กรรมด้วยใจที่ไม่ต่อต้านคือการแก้กรรมแบบหนึ่ง เช่นถูกใส่ร้ายหาเรื่องหากกรดเคืองตอบโต้ก็เท่ากับอย่างไม่ได้ใช้หนี้กรรมเป็นเพียงชาระดอกเบีย้ยเท่านั้นไม่ว่าจะย้ายไปไหนก็ต้องเจอคนชั่วแบบนี้ต่อไปใจเมตตาจะแยกคนเลวออกจากชีวิตกรรมชั่วจะทำร้ายตัวเขาเองโดยไม่ต้องตอบโต้เลยไม่เหตุด้วยว่าหากถูกใส่ร้าย เราหมายถึงว่าไม่ต้องตอบโต้โตเขาคือไม่ต้องด่ากลับไม่ต้องโกรธนะครับแต่ไม่ใช่นิ่งเป็นสักะเบือย่อไม่เขาใส่ร้ายอย่างนั้นนะครับก็คือเขาใส่ร้ายมาก็ต้องปฏิเสธต้องอธิบายเหตุผลให้เขาเข้าใจหรือให้คนรอบข้างเข้าใจก่อนด้วยแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจจริงๆก็ค่อยปล่อยวางเป็นอุเบกขาแล้วค่อยอยู่เฉยๆสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับ กรรมชั่วจะทำร้ายตัวเขาเองโดยไม่ต้องตอบโต้เลยส่วนกรรมดีของเราจะผลักเราและเขาไปสู่ที่เหมาะสมให้เราย้ายไปเจอคนที่ดีกว่าได้ที่ทำงานได้ธุรกิจดีกว่าความชั่วจะตรึงให้เขาอยู่ที่เดิมกับคนเลวเหมือนเขาหรือผลักย้ายไปเจอคนเลวพอกันดูตัวอย่างพวกขับรถไร้มารยาทนะครับพวกแบ่งสารพัดคิดว่ากูใหญ่กูแน่พ่อกูเจ๋งบุญหมดเมื่อไหร่ กมจะส่งไปเจอคนชั่วกว่าเบ่งผิดที่จนต้องตายฟรีก่อนเวลาให้ชาวบ้านสมน้ำหน้ามาเยอะแล้วนะครับเจ้ากรรมในเวรแบบแรกคือหลักกฎแห่งกรรมที่ทำอะไรไว้จะมีผลสะท้อนกลับหาเราเสมอเหมือนเอามีดกรีดแขนก็ต้องเกิดแผลเจ็บปวดวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้คร่าวๆว่าการพูดคิดทาดีส่งให้เกิดคลื่นพลังงานอย่างหนึ่ง การพูดคิดทำชั่วส่งให้เกิดเคลื่นพลังงานที่ตรงข้ามกันเคลื่อนพลังงานต่างกันจะต่อต้านกันพลังงานเหมือนกันจะดูดเข้าหากันคนมีน้ำใจเจอคนเห็นแก่ตัวจะรู้สึกขยักขแยงยังหาสาเหตุไม่ได้คนชั่วเจอคนดีจะรู้สึกไม่เร้าใจไม่น่าคบเป็นแฟนเด็กหลังห้องจะหมั่นไส้เด็กหน้าห้อง พนักงานเลวจะหมันไส้คอยกันแกล้งพนักงานดีที่ขยันเกินหน้าเกินตาพลังงานจากจิตผลักและดึงคนที่สันดานเหมาะกับเรามาวนเวียนในชีวิตแฟนหรือเพื่อนแค่คนเดียวอาจทำชีวิตเราล่มจมหรือจเจริญขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อนี่จึงเป็นข้อแรกของมงคลละสูตรคืออยากคบคนพานซึ่งบทมงค ล, ลสูตรที่ให้เอามาท่องกันเนี่ย ต้องท่องและแปลให้ได้แปลและเอามาทํานะครับไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองท่องเป็นภาษาบาลีที่แปลไม่ออกเราคิดว่าท่องมงค ล, ลสูตรร้อยแปดจบเราจะโชคดีอย่างแรกที่เห็นชัดเลยคือถ้าแปลออกเราจะแปลได้ว่าข้อหนึ่งของมงคลลสูตรก็คืออย่าคบคนพาลซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตให้เราเจอสิ่งดีๆตามมาอีกมากอย่าคบคนพาล คนพาลไม่ใช่คนเร็วอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงคนโง่ด้วยเพราะคนโง่ต่อให้ขยันและเป็นคนดีก็อาจทําความเสียหายได้มากกว่าที่คิดเช่นทํางานให้ผิดพลาดใหญ่หลวงอาสาขับรถไปส่งก็อาจพาไปตายยกครอบครัวเราเมตตาคนโง่และคนพาลได้แต่ไม่ควรใกล้ชิดหรือคบค้าสมาคมมีเพื่อนไม่ดีสู้ไม่มีซะเลยดีกว่าขึ้นขาน ซะยังดีกว่ามีแฟนไม่ดีทำงานคนเดียวแม้จะเหนื่อยมากแต่ก็ยังดีกว่าว่าหวานคนโง่ให้ช่วยงานที่อาจทำให้ต้องเหนื่อยหนักกว่าเดิมหลายเท่าจากการตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากคนพวกนี้ครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าคนโง่ที่ขยันอาจทำให้ประเทศชาติพิพายได้อย่างน่ากลัวทีเดียวสารพัดโครงการโง่โง่ที่เราก็เห็นนะครับว่าหลายรัฐบาลทาชาติเสียหายไปเท่าไหร่ คนที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจล้วนได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ที่เมตตาจากเพื่อนเก่าและคนรอบข้างได้กําลังใจและแนวคิดดีจากคนรักและครอบครัวได้ความจงรักภักดีจากพนักงานที่ทุ่มเททํางานให้เต็มที่กระแสจิตที่ดีทําให้เป็นที่เมตตาของคนดีได้ง่ายลูกค้าและผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจเมื่อเจอคนไม่ดีก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าไม่น่าคบหา ไม่น่าค้าขายทาธุรกิจด้วยความรุ่งเรืองของชีวิตที่มั่นคงล้วนมาจากคนรอบข้างที่ดีทั้งนั้นนี่คือกฎแห่งกรรมในแง่คลื่นพลังงานที่ทุกคนสัมผัสได้ในชีวิตจริงอย่าหลงประเด็นที่เห็นคนได้ดีเพราะทำชั่วหรือธุรกิจบาปเพราะเราอาจไม่รู้ว่าเบื้องหลังที่มีพร้อมทุกอย่างเต็มไปด้วยเรื่องปวดหัวปวดใจเข้ามาทุกวันมากแค่ไหน หรือไม่ก็ทำให้ลุ่มหลงมูเมาในกามและสุขจอมปลอมจนถอนตัวไม่ขึ้นบางทีก็ผลจากกรรมชั่วที่เคยทำนั่นแหละส่งให้เจริญในด้านชั่วๆสะสมบาปติดตัวได้มากกว่าคนอื่นจะเห็นผลลัพธ์เต็มที่อาจต้องรอดูหลังความตายคือความลำบากหน้าสมเพศหลังเกิดใหม่เป็นผีอดอยากหรือสัตว์เดรัจฉานอดอยากโดนทาร้ายให้หน่าสงสารในภพหน้า เจ้ากรรมนายเวรแบบที่สองก็มีอยู่นะครับคือเจ้ากรรมนายเวรแบบเป็นตัวตนที่มีอยู่จริงทั้งผีและคนหากมองโลกหลังความตายเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ที่อยู่ร่วมกับเราต่างกันแค่เขาไม่มีกายหยาบเท่านั้นแต่ความรู้สึกและสภาพสังคมก็ยังมีอะไรคล้ายกันจิตใจคนตายแต่ละคนก็ยังเป็นคนเดิมหากสงสัยว่าใครตั้งกฎในนรกสวรรค์ก็ต้องถามกลับว่า แล้วใครตั้งกฎบนโลกนี้ล่ะโลกมีตำรวจนรกก็มีนายนิรยาบาลเมื่อมีประชากรก็ต้องมีคนมีศักยภาพพอจะเป็นหัวหน้าควบคุมดูแลอีกทีเพื่อความเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันซึ่งมันซับซ้อนเกินกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาให้ละเอียดจะเข้าใจได้ครบถ้วนการตามทวงนิกรรมจากวิญญาณอาฆาตมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกนะครับ เช่นกรณีหญิงโสเพนีถูกฆ่าตายผูกใจเจ็บกลายเป็นผีร้ายหล่อล้างแค้นด้วยใจทรมานไม่รู้กี่ชาติเธอตามแก้แค้นด้วยใจที่ทรมานในสภาพผีร้ายในที่สุดก็สบโอกาสเข้าสิงแม่โคหิดท่านพาหิยะตายในขณะพึ่งบรรลุอรหันต์ไม่นานนี่ขนาดระดับคนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับก็ยังมีเจ้ากรรมในเวรเป็นผีร้าย ที่ตามมาสิ่งแม่โคมาขิดจนตายได้และระดับพวกเราล่ะครับจะเหลืออะไรดังนั้นทำความดีไว้ให้มากๆทำให้ถูกทางก็อาจจะบันเทาหรือเลื่อนระยะเวลาการให้ผลออกไปได้